สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยพิบาลนะครับเราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทเรียนจากสุภาษิตวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่22่สข้อสิาถึง16ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคนเกียจคร้านกล่าวว่ามีสิงอยู่ข้างนอกข้าจะถูกฆ่าที่ลานเมืองปากของหญิงชั่วเป็นหลุมลึก บุคคลซึ่งพระเจ้าทรงพระพิโรธจะตกลงในที่นั้นความโง่มักอยู่ในใจของเด็กแต่ไม่เรียวที่ตีสอนก็ขับมันให้ห่างไปจากเขาบุคคลผู้บีบบังคับคนยากจนเพื่อเพิ่มทรัพย์สริงคานของตนหรือเพิ่มให้แก่คนมั่งคั่งจะมาถึงความขัดสนเท่านั้นพี่น้องครับเราจะเริ่มต้นในข้อที่13นะครับที่บอกว่าคนเกียรติค้าน กล่าวว่ามีสิงอยู่ข้างนอกข้าจะถูกฆ่าที่ลานเมืองอันนี้เป็นข้ออ้างหรือคําแก้ตัวนะครับข้ออ้างหรือคําแก้ตัวแบบขุนๆอย่างนี้นะครับหรือเอาสีข้างเข้าถูเนี่ยของคนเกียรติค้านฟังดูแล้วก็เป็นที่น่าหัวเราะเยาะเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าเหตุผลที่เขา อ, อ้างมานั้นมันฟังดูแล้วช่างไม่เข้าท่าเหลือเกิน คำว่าสิงโตอยู่ที่ลานเมืองความจริงแล้วสิงโตนั้นจะไม่อยู่ที่ลานเมืองในประเทศอิสาราเอลหรอกครับเพราะว่าอิสาราเอลนั้นในบ้านเมืองของเขาเนี่ยเราไม่ปรากฏว่ามีสิงโตอยู่ที่กลางเมืองครับเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเองถ้าคนเกียรติค้านบอกว่าจะมีคนมาฆ่าเขากลัวเขาไม่หน้าออกจากบ้านเขาจะไม่ออกจากบ้านเลย จริงๆไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลเลยและคนแบบนี้ครับสามารถเอาข้ออ้างมา1 0 8ย0 0เพื่อที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ในความเกลียดคานยิ่งไปกว่านั้นครับเขาพูดถึงสิงโตแต่เขาเนี่ยไม่ได้คิดถึงสิงโตจริงๆซึ่งเป็นมารครับเป็นอันตรายที่แท้จริงของเขา สิงโตแบบมานี่แหละครับเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้และคนที่มันจะกัดกินได้นั้นก็นอนอยู่บนเตียงครับนอนอยู่บนเตียงเพราะความขี้เกียจความขี้เกียจนี่แหละครับจะเป็นสิงโตที่ฆ่าเขาเองดังนั้นเราจะเห็นว่าคนเกียรติค้านั้นมักจะหาข้ออ้างหรือแก้ตัวเกี่ยวกับเรื่องความเกียรติค้านของเขาโดยดึงดูดใจ ไปที่ความเป็นไปได้ที่ไม่น่าเป็นไปได้พี่น้องเห็นไหมครับคืออ้างครับอ้างอ้างถึงความเป็นไปได้ที่ไม่น่าเป็นไปได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับหลายครั้งทีเดียวครับเวลาที่เราตามไม่ทันนะครับเราก็จะหลงไปครับกับข้ออ้างต่างๆเหล่านั้นข้อแก้ตัวต่างๆเหล่านั้นแต่สําหรับคนที่มีสติปัญญาคนที่เป็นคนของพระเจ้าจะรู้ครับ เพราะว่ามนุษย์ฝ่ายวิญญาณนั้นสามารถวิจัยเรื่องราวฝ่ายวิญญาณได้รู้ว่านี่คือการเกิดจากความขี้เกียจรู้ว่านี่คือการเกิดจากเป็นเรื่องจริงนี่เป็นข้ออ้างที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ครับข้อ 14. ปากของหญิงชั่วเป็นหลุมลึกบุคคลซึ่งพระเจ้าทรงพระพิโรธจะตกลงไปในที่นั้นพี่น้องครับกษัตริย์โซลมอนได้เปรียบเทียบปากของหญิงชั่ว กับหลุมลึกหรือ ก, กับดักครับผู้หญิงพวกนี้ล่อลวงคนที่อ่อนกับต่อโลกล่อลวงเขาให้ไปสู่ที่ที่อันตรายพวกเขาไม่สามารถหลีกหนีได้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเล็งถึงถ้อยคำของผู้หญิงที่ประจบสอพลอและถ้อยคำเหล่านี้ครับจะทำให้เรียกว่าเกิดถึงความเป็นความตายเลยทีเดียว ในที่นี้เราจะเห็นว่าคนชั่วร้ายเนี่ยนะครับก็จะตกลงไปในกับดักหรือในหลุมลึกเพราะเนื่องจากว่าคนชั่วร้ายก็ไปผูกพันอยู่กับผู้หญิงชั่วร้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนชั่วร้ายจึงกลายเป็นบุคคลที่พระเจ้าจะลงโทษเขาเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงพระบิโฑธในที่สุดนั้นก็ต่างฝ่ายต่างก็ตกลงไปอยู่ในหลุมครับรวมทั้งผู้หญิงคนนั้นด้วย พี่น้องครับการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวการมีความสัมพันธ์ทางด้านชู้สาวกับผู้หญิงพวกนี้นะครับก็จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและถูกล่อลวงจากเธอในที่สุดนั้นการสาปแช่งของพระเจ้าจะอยู่บนพวกเขาเหล่านั้นที่มีความสัมพันธ์เพราะเนื่องจากว่าเขาติดกับดักครับตกลงไปในหลุมลึก และไม่สามารถที่จะดึงตัวเองขึ้นมาได้ใครก็ตามที่รับฟังคำพูดชักชวนและเคลิบเคลิมไปกับหญิงประเภทนี้นะครับก็จะจบลงที่การกระทำบาปคำว่าหญิงชั่วนั้นมีความหมายถึงหญิงที่ล่วงประเวณีด้วยครับพี่น้องครับการตกลงไปในหลุมลึกมันหนีออกมาไม่ได้นะครับและเป็นผลพวงอันน่าสะพึงกลัว ของการล่วงประเวณีนี่แหละครับคือหลุมพรางหลุมลึกที่ทำให้ผู้ชายตกมานักต่อนักแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าครับพระเจ้าพระพิโรธในเรื่องความบาปอย่างแน่นอนไม่มีใครที่สามารถรอดไปได้เรามาถึงข้อ15ครับความโง่มักอยู่ในใจของเด็กแต่แม่เรียวที่ตีสอนก็ขับมันให้ห่างไปจากเขา ความโง่ในที่นี้หมายถึงความหยิ่งทะนงดื้อรัน้นทะลึ่งตึงตังและการไรระเบียบวินัยไม่ใช่หมายถึงความโง่าทางสติปัญญานะครับหมายถึงความโง่าทางด้าน EQ AQ แต่ไม่ใช่ IQ ครับความโง่เหล่านี้จะอยู่ในใจของเด็กการเตือนสติการตีสอนการให้บทเรียนจะสามารถช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีเหล่านี้และแทนที่ด้วยปัญญาจากพระเจ้าได้ในการปรับพฤติกรรม ของเด็กหลายครั้งเราต้องยอมรับว่าต้องใช้ไม้เหลียวครับการใช้ไม่เหลียวนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงวินยัยการใช้ไม่เหลียวนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้อารมณ์โกโรธการลงวินัยก็เช่นเดียวกันครับต้องไม่ใช้อารมณ์แต่ต้องใช้เหตุผลการลงโทษมีหลายแบบครับรวมทั้งการลงโทษแบบกักบริเวณจำกัดบริเวณ หรือใช้แบบ body r e s t r a i คือการควบคุมร่างกายไม่ให้เคลื่อนไหวก็ได้ถือว่าเป็นการประพฤติกรรมของเด็กเช่นเดียวกันครับพี่นงครับในการสอนลูกหลานของเรานะครับเราจะต้องสอนให้เด็กๆมีความฉเฉลียวฉลาดทางด้านสติปัญญาทางด้านร่างกายและก็เราจะต้องไม่ปล่อยให้เด็กแสดงความโง่เขลาของเขาออกมา ด้วยการทำให้เสียเวลาหรือทำให้เว e t i m e คือทำให้เวลาเสียเปล่าไปไม่เกิดประโยชน์การทำสิ่งต่างๆที่อันตรายก็ต้องระมัดระวังอย่าปล่อยให้เด็กทำและการใช้ทักษะความสามารถของพวกเขาไปในทางที่ถูกต้องนะครับอย่าปล่อยให้เขาใช้ทักษะและความสามารถไปในทางที่ผิดและด้วยเหตุนี้นะครับจะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และฉลาดขึ้นได้ เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่พ่อแม่หลายๆคนไม่มีเวลาเพียงพอและไม่ยอมตีสอนไม่ยอมลงวินัยเด็กทำให้เขาเติบโตขึ้นมาก็เอาแต่ใจตัวเองและไม่สามารถควบคุมได้พี่น้องครับเรามาถึงข้อ16แล้วในพระวจนะของพระเจ้าข้อ16นั้นบอกว่าบุคคลผู้บีบบังคับคนยากจนเพื่อเพิ่มทรัพย์สินคานของตนหรือเพิ่มให้แก่คนมั่งคัง่ง จะมาถึงความขัดสนเท่านั้นพี่น้องครับพระคมภีข้อนี้เตือนเรานะครับถึงแนวทางที่เราจะหาเงินให้ได้มากโดยไม่ถูกต้องอย่าทำครับความคิดของคนที่ต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดเป้าหมายของชีวิตคือการนีนี่คือการหาเงินให้ได้มากที่สุดไม่ว่าแนวทางไหนก็ตามไม่ว่าใช้วิธีการใดก็ตาม นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งครับหลายคนทำเช่นนี้ก็คือบีบบังคับเอาจากคนยากจนไปรีดเลือดกับปูครับบีบบังคับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พี่น้องครับเจ้าของบ้านเช่าก็มักจะกระทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเจ้าของบ้านเช่าที่ไม่ดีต้องการหาเงินให้มากที่สุดหรือเจ้าหนี้ครับที่ไม่ดีก็พยายามรีดทุกอย่างจากลูกนี้ เอาเปรียบทุกอย่างครับแนวทางอีกแนวทางหนึ่งก็คือว่าจะติดสินบนการติดสินบนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับการให้การปฏิบัติพิเศษกับคนบางคนพร้อมกับคาดหวังที่จะได้รับความโปรดปรานตอบแทนหรือเรียกว่าเป็นเด็กเส้นใช้เส้นนะครับก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันพี่น้องครับเวลาที่เรามอบของขวัญให้กับคนที่มีอำนาจครับเพื่อ ต้องการความโปรดปานของเขาอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดมากว่าเราควรจะทําหรือไม่อย่างไรและความโปรดปานนั้นมันส่งผลประโยชน์ย้อนสะท้อนกลับมาถึงผู้ให้อย่างแน่นอนการแปลพระคัมภีร์ข้อนี้มีความน่าสนใจครับเพราะว่าบางฉบับแปลว่าการให้ของกํานันแก่ผู้ที่ไม่ต้องการเพื่อหวังความดีความชอบโดยการกดกี่คนยากจน และเพิ่มความร่ำรวยให้กับตัวเองพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับก็คือเป็นเหมือนกับบุมแมลงครับการกระทําเช่นนี้มันจะจบลงไม่ใช่ความมั่งคั่งแต่จะเป็นความเดือดร้อนและความหายนะัะพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเสริมกำลังความเข้มแข็งทางเดินในชีวิตของเราแต่ละวันด้วยพระเจรของพระเจ้าและด้วยการยอมรับสิทธิอานาจ แห่งพระวจนะของพระองค์ในการดำเนินชีวิตประจำวันอาเมน